ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหรยแต่รลงพระพุทธญาณในวันนี้ก็คงมาประรบถึงพระนํารัตของพระโพธิสัตว์ที่ท่านกล่าวว่าหมาสมุดคือสังสารทุกนี้มีทุกมากก็หมายความว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นมันเป็นทุกมาตั้งแต่ตัวเกิดแล้ว การส่งเน้นนั้นส่งเน้นเป็นทุกบ้างส่งเน้นในฐานะที่เป็นไัยบ้างในที่นี้ก็เน้นในฐานะที่เป็นไัยก่อนก็ได้ประลบถึงภัยอยู่สองชุดแล้วคือชาติภยัยภัยซึ่งเกิดจากความเกิดชรภาภัยภัยจากความแก่มรณะภายัภยไผ่จากความตายตรงนี้เราเรียกว่าสภาวัตถุ คือทุกตามสภาพของมันแต่สิ่งไม่มีชีวิตเราก็เรียกว่าทุกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามีชีวิตเราก็เรียกว่าเกิดแก่ตายอีกชุดหนึ่งนั้นทรงแสดงโดยในที่อื่นโดยประยายอื่นแต่คงให้ความสําคัญแก่ชาติรารมณะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไปเพิ่มพยาธิขึ้นมา ที่จริงความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นทุกจอรแต่ว่าแก่เจ็บตายนั้นไม่ใช่เกิดแก่ตายนั้นเป็นตัวทุกจริงๆคือเป็นสภาวะทุกแต่ว่าที่จริงก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่เหมือนกันพยาธิภายนั้นเป็นปัญหาใหญ่หลายเดือนมาแล้วที่จริงก็รู้สึ ก, กว่าอีกสักสองปีก่อน มันก็มีปัญหาเรื่องไอเนี่แหละคือไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วดูบุญหนองเงาไงาชอบกลนคือคนไม่ค่อยมีพอถามหน้าที่เจ้าฝ่ายประชาัมพันก็ว่าเป็นไงคนน้อยไปเขาบอกเด๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนป่วยน้อยลงทำให้ราย ไ, ไ, ได้ของโรงพยาบาลนี่ตกตำ่ำ คือต้องฟังเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรก็กลายเป็นเรื่องเฉยๆได้แต่ถ้าเรามองให้เห็นว่าในการครองชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าขาดพื้นฐานความคิดที่กรอบโดยเมตตาหรือปัญญาเป็นหลักมนุษย์ก็จะมีการโอรัดออเปรียบกันโดยธรรมชาติ แม้การปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็ต้องสูญเสียชีวิตสัตว์สัตว์ไปเป็นนั้นมากการกินอาหารในแต่ละมือชีวิตของสัตว์เป็นนันมากก็ต้องตายไปแต่ยิ่งการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่หเดยเห็นว่าอาชีพบางอาชีพนั้นชีวิตของสัตว์ต้องพรีตัวเองลงไปเพื่อให้คนเหล่านั้นมีอาชีพมั่นคง เป็นพวกอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงการล่าสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์ขายต่างๆมีคนต้องสูญเสียล้มตายบาดเจ็บเพราะว่าเพื่อช่วยคนอื่นอยู่รอดเนี่ยมันมีมากไปเกินแล้วพอมาถึงกระบวนการตรเ น, นี้กระ บ, บวนการของเกิดมันก็มีคนหาประโยชน์จากการเกิดของคนกลายเป็นธุรกิจที่ได้กําไร สูตินารีแพทย์นางพยาบาลผุกยาต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้เกิดเทคนิคทางแพทย์ต่างๆตุนแล้วได้ต้องศึกษาเรียนรู้แต่มันก็มีผลประโยชน์อยู่อนเนอกอันนั้นแล้วพอมาถึงแก่คนก็หาประโยชน์จากความแก่ของคน มีการเสริมสวยมีการดึงตรงงั้นเสริมตรงนี้ผ่าตัดตรงนั้นอะไรต่อะไรเนี่ยกลายเป็นอาชีพอีกอันเนกอันนั้นจริงความเจ็บนั้นไม่ต้องห่วงเลยก็เรียกว่าตำนานเรียกผีถึงป่าช้าคือทางโรงพยาบาลเขาว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นต้องยอมเขาทุกอย่างส่งบินมาเท่าไหร่ก็จ่ายตามที่ ก็สมงบินมามันมีคราวหนึ่งที่มีนายแพทย์ท่านหนึ่งได้แต่งเพลงขึ้นมาข้อความเป็นยังไงตลอดก็ได้จำอยู่ได้ประโยคหนึ่งว่าคนจนไม่มีสิทธิ์จะป่วยเพราะค่าใช้จ่ายมันแพงเหลือเกินบางทีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยต้องทํางานไปใช้หนี้สินในการรักษาโรคให้แก่คนคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่ง เรามองถึงสภาพตรงนี้ก็ น, นึกย้อนไปถึงอดีตการนานไกลท่าเล่าถึงอดีตประวัติของพระอรหันต์ ร, รูปหนึ่งคือไปจากคุบาลตันตาบอดด้วยแล้วก็บรรลุอรหัตพร้อมๆกันนะครบรรลุอรหัตเสร็จก็ตาบอดเป็นเด็พระพุทธเจ้าได้ทรงเหตุที่มาทรงแสดงเหตุที่มาของตาบอดแล้ก็บรรลุอรหัต มรดฐานนั้นก็เป็นเรื่องของความดีวัสนารบารมีที่ท่านสะสมบบรมสืบต่อกันมาผ่านภพชาติกันมาแต่วในกรณีที่ตาบอดนั้นก็เกิดขึ้นจากการท่านเป็นหมอรักษาโรคตาแต่ว่คคนป่วนั้นมีฐานะยากจนในขณะเดียวกันก็ต้องการจะหายจากโรค ก็ได้กล่าวกับหมอก่อนจะรักษาว่าถ้าคุณหมอสามารถรักษาผมไม่หายได้ใลยพวกผมกับครอบครัวนี้จะยอมเป็นบ่าวรับใช้ของคุณหมอก็หมายความว่าไม่มีเงินจะจ่ายแต่ว่าขอใช้แรงงานแทนหมอนั้นมีความสามารถสูงมากรักษายาวางยาเพียงครั้งเดียวในโรคหายแล้ว แต่เมื่อมาสอบถามอาการเนี่ยคนป่วยกลับบอกว่าไม่หายแล้วก็ป่วยหนักขึ้นตามมวมากขึ้นมองไม่ชัดมากขึ้นเมื่อตัวดูเห็นวมันหายแล้วก็แสดงม่ารู้แกว่าคนป่วยนั้นคิดจะเบี้ยวไม่ต้องการจะอยู่เป็นคนใช้ของคนหมอกับครอบครัวแล้วาำให้หมอก็โกรธ เลยก็ให้ยาขนาดใหม่ยอดทีเดียวก็บอดปวดทัด้งสองข้าง แ, แสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยหมอก็คิดยาแพงเหมือนกันแต่ว่าม อ, มองถึงสังคมไทยยุค ป, ปันนอกพวกหมอเรียกหมอชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็รักษาโรคอะไรหายได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราไปทอดทิ้งไม่มีการสืบต่อผู้เฒ่ายุคนั้นก็ตายกันไปหมด มียาสมุนไพรเป็นนอ้นมากขาการสืบตอบมันก็ตายไปตามเจ้าของถ้าเ่านั้นแปลกรักษาโรคโดยไม่คิดค่ารักษามีแต่ค่าไหวาครูนิดนหน่อยๆแล้วก็ตัวเองก็ไม่เอาเองตัวแสดงว่าจรรยาแพทย์ได้เคยพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้อภิบาลจริงๆ แต่ว่าก็ทําได้ยากนะฮเพราะคนเราก็มีความโลภมีความเห็นแก่ตัวพอเมื่อต้องโรงพยาบาลต้องการมีกําไรบนความเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์อันกนนั้นเนี่ยปัญหาสําคัญ ว, วัดที่มีเมนและก็ใช้จากความตายของบุคคลอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าที่จริงหน่วยราชการเข้าไปดำเนิน ง, งาน เราก็มักจะไม่กว่าวัดรวยที่จริงวัดไม่ได้อะไรนะคเช่นวัดตรีทศเทพก็สวัสดิการตํารวจวัดสมนัตสวิหารก็สวัสดิการฐานปกวัดเครือวันก็สวัสดิการฐานเรือวัดประศรีมาธาตุก็สวัสดิการขันธานาการวัดเทพศิวินก็เป็นเรื่องของราชวังน้งนั้นก็เป็นเมนม่ใหญ่ วาถ้าทองมีความเป็นเอกชนมากจุแต่ก็ช่วยเหลือคือกลกับสังคมเยอะอย่างนั้นก็เถอะความเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นก็อยู่บนความตายของคนเหล่าน้นอาชีพที่เกี่ยวกับความตายจึงเยอะแล้วก็ทำให้คนมีอยู่มีกินกันก็ยังเคยพูดลเล่นๆกับหมอนฮะว่า คนเราถ้าเกิดมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากเนี่ยไอย่างนึกไม่ออกนะว่างานเป็นนันมากเนี่ยมันก็มีไม่ได้แล้วถ้ามีไม่ได้เนี่ยก็ทำอย่างไงว่าคนจะอยู่เป็นอย่างไงเหมือนกันตัวนี้ถ้าเรามองในแง่เป็นคุณมันก็เป็นคุณนะเพราะตีตามว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในโลกคงอยู่ไม่ได้แล้วนะ ก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เฉพาะเรื่องปัจจัยสีอย่างเดียวก็ขี้เกียจจะเข้าสู่กิรียุคะระเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ท่านจึงสอนให้มองในแง่ของธรรมดาถ้าปรับใจเข้าถึงกติคนอธรรมดาได้ในสมัยพุทธกาลนี่มีคนสงคัญสงสาบท่านถึงน่าศึกษามา ท่านดุลเงิงต่อมาเป็นภิกษุณีที่เลิศได้รับยกย่องเป็นอิตาาัคขะจากพระภูมิพระภาคดาวท่านพระธาตุสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักคืนเดียวไปหกคนด้วยกันเป็นลูกเล็กๆสองคนอายุห่างกันขวบเนยอายุห่างกันปีเนี่ย สามีกับพี่ชายนั้นอายุราวๆ เ, เดียวกันพ่อกับแม่ก็อายุราวๆ เ, เดียวกันตายกันโดยวิธีการต่างๆสามีถูกมูฉกตายลูกคนหนึ่งถูกกระแสน้ําพัดไปลูกคนหนึ่งถูกนกเหี่ยวเชียวไปลูกคนเล็กนะะตัวเล็กๆก็ลูกมันชิ้นเนื้อพี่ชายพ่อแม่ถูกบ้านถล่มทับตายมันเกิดวาตภัย ท่านช็อกแล้วก็บ้าไปเลยไอ้อชื่อว่าปาตาจาราปรตาจาราก็ไม่น่าจะเป็นชื่อจริงนะเพราะแปลแล้วก็คือวิ่งไปโดยไม่มีผ้าห่อหุ้มร่างกายก็ถูกเรียกว่าเป็นคนบ้าแต่เลยเข้าไปถึงที่ที่พระเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่คนตั้งหลายก็กลัวว่าผู้หญิงบ้าจาระวาดก็เลยใต้ต่เพื่อได้ออกไป แต่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้ามาพอเข้ามาใกล้ก็รับสั่งว่าจงกลับได้สติเถิดท้องยิงเมื่อเธอพปรพีิไปไรำพันเล่าถึงความหลังให้ฟังก็บอกว่าให้หยุดคิดถึงความจริงตรงนี้และจากนั้นก็จะทรงให้เหตุผลเป็นพุทธานุภาพเป็นบารมีของท่านประสมะสานกัน ได้สระพระธรรมเทศนาแล้วก็ขอบวชเป็นพระษุณีพอครอบครัวหมดล้ในคราว บ, บางเพนเพียนเนี่ยท่านศึกษาธรรมะจากการเทน้ําลงไปบนพื้นดินได้น้ำที่มันไหลไปแล้วก็ถูกดินดูดซึมลงไปไหลไปถูกดินดูดซึมลงไปไหลไปถูกดินดูดซึมลงไปไหลไปได้มากหรือน้อยนี่มันอยู่ที่ปริมาณของน้ํา พรันเป็นมองกลับไปที่ชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาอายุสั้นพันตายบางคนอายุยืนบางคนโรคมากบางคนโรคน้อยมันมีความยิ่งยอนแตกต่างกันเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็แสดงว่ามีสิ่งอยู่เบื้องหลังนั้นก็คือบุญบารมีหรือบาปก็แล้วแต่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ในจุรลกักรรมมวังกสัสูที่พูดถึงคนเกิดมาอ า, ย, อ ย, อา ย, ยุน้อยอายุยืนอายุสั้นโรคน้อยหรือว่าไม่มีโรคผลปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งแต่ผลในอ ด, ดีตนั้นมันเป็นเรื่องกันรรมคนอายุน้อยก็เพราะว่าเคยฆ่าสัตว์มาตัดรอนชีวิตสัตว์ขก้นมาคนอายุมากก็เพราะไม่เคยฆ่าสัตว์มา คนที่มีโรคมากก็เพราะเบดเปลี่ยนสัตว์คนที่ไม่มีโรคมากก็เพราะว่าไม่เบียดเปลี่ยนสัตว์นั่นก็แสดงให้เห็นเรื่องอิทธิพลของกรรมซึ่งอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราแล้วท่านก็นำมาเทียบเคียงกับบุคคลอันเป็นที่รักของท่านสามชุดนะฮะมันเหมือนกันน้ำที่มีปริมาณแตกต่างกันแต่ในที่สุดมันก็ถูกไหลซึมลงไปข้างล่าง จะเริมมีปรสัสนานด้วยอาศัยน้ำที่เทลงไปในดิน น, นั่นเองบรุมพะผลเป็นพระอาราหารได้ในการต่อมานี่คนได้ทราบเกียรติประวัติของท่านก็มาสอบถามํำนองขอความคิดเดดห็นอะไรเนี่ยท่านจะมีวิธีตอบไปไ้คงขายมั้มีประโยคหนึ่งที่ท่านตอบแล้วก็น่าคิดนะ ท่านถามคนเหล่านั้นว่าเด็กที่ตายไปเนี่ส่วนมากก็เป็นแม่นะแล้วรูกตายตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เสียใจก็จะมาสอบถามวิธีคิดของท่านท่านถามว่าเด็กเหล่านั้นก่อนจะมาเกิดนี่มาขออนุญาตก่อนหรือเปล่าหรือเปล่าว่าจะมาขอเกิดในขันด้วยคนเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้มาขออนุญาตหรอกหลือเมื่อเธอจะตายนี่ได้ขอลาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ได้ลา ท่า น, นว่าทำไมคุณจะงต้องเสียใจละ่ะเสียใจกับใครก็ไม่รู้ซึ่งมาแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจากไปก็ไม่ได้ลาแล้วท่านสรุปว่าคนนั้นเขาชีวิตแต่ละชีวิตเน่ยพูดแนวว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนเราไม่นัด ก, กันมานะะแล้วก็ไม่นัด ก, กันตาย เป็นการมองให้เห็นเรื่องชีวิตที่เป็นจริงอย่างนั้นแต่ว่าเราลองสังเกตว่าที่เราเดือดร้อนเราเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในชีวิตของเราเพราะตอนเรามาเราไม่มีอะไรแล้วตอนเราไปเราก็ไม่มีอะไรแต่เราก็วุ่นวุ่นในตอนเราอยู่เนี่ยที่ท่านเรียกว่าปิยวิปโยคคือการพรากจากคนจากส จ, จากสิ่งที่เรารักเนี่ย จริงๆสิ่งเหล่านั้นมาเจอกันระหว่างทางอย่างจนวสามีกับพัญญาต้องพระภาคจากกันเน่ยมันเพิ่งเจอกันอายุตั้งยี่สบกว่าแล้วแล้วคนบางคนก็ไม่ได้คิดแยกแยะเมืก่อนมีลูกสิบคนหนึ่งเป็นทนายหลายปีมาแล้วนะมันก็ไปแต่งงานแล้วก็หลงเมีย แล้วในขณะเดียวกันก็เมียขอหย่านะแต่เขาก็เป็นห่วงวิตกกังวลกลัวเมียอดีตพันญานี่จะอยู่ลำบากก็อยากจะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วถามมาที่บ้านลรามีใครอยู่บ้างพ่อตายแล้วแม่ยังอยู่แล้วถามแม่อยู่กับใครก็อยู่คนเดียวบอกเออคุณต้องคิดนะคุณต้องคิดใหม่นะว่าแม่เนี่ยถ้าเขาเราไม่มีท่านเนี่ยเราเกิดมาไม่ได้ เวลานี้ท่านโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวธัญยานั้นเป็นคนที่เจอกันทีหลังแล้วก็เธอไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกับคุณแล้วทำไมคุณจะต้องเดือดร้อนล่ะเขาก็มาอย่างที่เขามาเขาก็ไปอย่างที่เขาไปเพราะนั้ถ้าคิดได้ดีต้องคิดถึงแม่ให้มากกว่าเบี้ยในกรณีเหล่านี้ จะทุกกรณีนะฮะในกรณีเช่นนี้คือเขาไม่พึงประสงค์จะอยู่ร่วมกับตนแล้วเนี่ยแต่บางทีคนก็ลือประเด็นตรงนี้ดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาเรื่องชีวิตที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายการพราดลากเนี่ยถ้าพื้นฐานจิตไม่ดีพอเนี่ยจะแหว่ง แล้วสมัยพุทธกาลมีหมหาบาศิกาท่านหนึ่งชื่อพระนางมาริกาเทวีเป็นมเหสีของท่านวิทูธพะที่เรียกว่าม ah ir, าเหสีพราะท่านเป็นราชกุมารเป็นราชกุมารอยู่ที่แคว้นวัชีแล้วก็มารับราชการอยู่กับพระ้าเปรสเนโกสุ น, โโสนเป็นมรละนะมันจะเ ป, ปะ็นวัตถิแล้วก็ ต่อมาก็ถูกอิจฉาริษยาการในหมู่ข้าราชการนะเพราะท่านทำ ง, งานดีโดดเด่นเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายมากก็ถูกวางแผนให้เกิดความบาดแวงพระเจ้าประเสริฐมุกสนก็ไปหลงเชื่อเขาแล้วก็ส่งคนไปลอบฆ่าในขณะที่ท่านหลับกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลย ผู้ชายนะทั้งหมดสามสิบสามคนคือลูกสิลูกลูกเป็นแฟตสิบหกคู่ก็สามสิบสองคนแล้วก็ตัวพ่อก็รวมได้เป็น3ามสิบสามคนยังเหลือแต่แม่กับพันยาของลูกองมาริกาเทวีได้รับข่าวการตายของลูกชายและสามีไม่ได้แสดงความเศร้าโศกเสียใจอะไรพอดีวันนั้นเธอนีมนภาษารีบุตรกับ พระโมคคลานะประิระทั้งหลายบาชันปตานาทิบันภาษาลิบุตรนั้นทันมีญาณอย่างรู้แต่ว่าจะประลบตรงๆทีเดียวมันก็ไม่ได้ก็ดีนางทศีถือพัชนะมาสะดุดมุมเสือและทำพภะชนะตกแตกแต่ก็ประลบสิ่งที่แตกเป็นธรรมดาก็าได้แตกไปแล้วคนก็ไม่ควรคิดอะไรมาก ธรรมนิกาเทวีได้ดึงเอาจดหมายขึ้นมาอาา่านในฟังบอกพระคุณเจ้าลงดูสิครอบครัวของมิชันนิตายคืนเดียวตั้งสามสิบสามคนจชนหนึ่งไม่เศร้าโส่เสใจนับภาษาไรกับการที่พัะชนะไปหนึ่งแตกเท่านั้นเองที่จะต้องไปคิดอะไรนั่แสดงถึงสภาพจิตที่มันพัฒนาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันยอมรับความจริงตามที่ปรากฏ มันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละไม่ตายวันนี้ก็ตายวันต่อไปเปิดเม่วรูปเมื่อส า, ม, ามีตายก็คือจัด ก, การชาววันกิจศพเสรเรียบร้อยแล้วในที่สุดเนี่ยพระเจ้าเปอร์เซนต์ในกศลพอรู้นกุศลช็อกเหมือนกันแต่ตัว น, นี้ที่จริงแสดงกระบวนการของกรรมชัดเจนนะเพราะว่า พระเจ้าประเนสนีโกศลเมื่อไปทำลายท่านพันธุลเสนามดีแล้วก็ไม่มีหลกักคำยันบัลลังตัวเองแล้วในที่สุดก็ถูกปฏิวัติยึดอำนาจจากวิถูทพะซึ่งเป็นพระจรุรสตันเองต้องหนีกระเจิงกระเจิงมาจากบ้านเมืองของตนเองแล้วก็โมยน่ะคนแก่อายุแปดสิบแล้ว แล้วก็มาที่วงคดอยู่หน้าศาลาที่จะเข้าเมืองกรุงราชสุดึเพราะว่ามาถึงกลางคืนบ้านเมืองก็ปิดเข้าไปยังไม่ได้แล้วก็สะท้อนกระบวนการกองกรลมที่มีความจัดเด็มแล้วก็ไหลเรื่อยไปนะไหลเร่อยไปจนวิทูตภาพเองก็ในที่สุดก็ถูกแม่นะ้าอาเจวีลากทับตายเหมือนกันสืบเนื่องมาจากไปฆ่าราชวงศ์สกยะตายสิยะ เรื่องเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสังสารวัตมันก็เป็นก็มันอย่างเงี้ยมันรุ่นวุ่นอย่างเงี้ยนอกจากเรามีภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความตายแล้วเรายังมีภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ภัยจากการพระภาคสูญเสียระดับอะไรอันอก น, นั้นต์ประเด็สําคัญก็คือการพยายามทําความรู้จักกับชีวิตให้ชัดเจน ในส่วนป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้คือไม่ได้แล้วก็ต้องทาใจให้ได้ท่านฟังท่าไรใต้รมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบุตในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไโดยทั่วกันสวัสดี